โดยเฉพาะามีอยู่สูตรหนึ่งถ้าจําไม่ผิดโสตานุคติสูตรเนี่ยคืออั น, นิี้สงของผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากเรียนพระธรรมมามากเนี่ยสงจําไว้ได้อย่างคล่องปากขึ้นใจตายโดยหลงลืมสติไอคําว่าหลงลืมสติในสูตรนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าตายแบบปุตุชนพอตายแบบปุตุชนเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าการศึกษาในชีวิตแบบมนุษย์เนี่ยเป็นยังไง มันลําบากเลยมนุษย์ที่ศึกษาพระธรรมส่วนหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีคนมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะที่บึกบึ ก, บกเหมนอาจารย์สันติเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมโดยมากก็พร่องก็แพร่งกระร่องกระเร่งจะลุกจะเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วส่วนใหญ่ปรมางั้นเถอะจริงพ้นที่เรียกว่าเอาแรงไปทําบาปซะจนหมดแรงน่นแหละงอ้อมมาแล้วเอค่อยมาทําบุญกันเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆ อ้างว่าสแสวงหาน่นสแสวงหานี่ก็อ้างไปพูดอย่างนี้ไม่ได้กระทบอาจารย์ตอนนี้นะเพราะไม่ได้นึกเลยว่ามีนะแอ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเป็นน้อยเนือน้อตั้มใจไม่ได้แต่เล่าความจริงให้ฟั ง, งนีนะแทบหมดเรื่หมดแรงแล้วจึงหันเข้ามาเนี่ยนะท่านผู้นี้เวลาศึกษาพระธรรมถึงทรงจําไว้ได้อะไรไว้ได้ธรรมะก็เข้าใจใช้ได้เลยแต่เนื่องจากว่าทุกขกายญาณวิญญาณเบียดเบียนนี่นสุขภาพไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีเขาเหล่านี้ถ้าเกิดในสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะ เรียกว่าตายแบบปุถุชนเรียกว่าหลงลืมสติตายหมายว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลพอไปเกิดในสวรรค์นเนี่ยสุขภาพมันดีเราบุญกุศลที่ได้ศึกษาร่ําเรียนมามันเป็นติเหตุตลอดเลยศึกษาพระธรรมตั้งใจฟังธรรมแล้วรู้เข้าใจนะไม่ไม่เข้าใจเข้าใจเนื้อหาว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าใจจนถึงทะลุผุโปรง่งเข้าใจเนื้อหานั่นแหละเป็นมหากุศลยานสะสัมปยุต แต่ถ้าทําแบบสวดมนต์แบบใจลอยตาก็สวดไปนึกไปเรื่ อ, อยถ้าอย่างเงี้ยกุศล ญ, ญาณวิปยุทธท่านโดยมากถ้าฟังอย่างมีความรู้ความเข้าใจอันนั้นเป็นกุศลญยนสัมปยุทธ์เวลากุศลเหล่านี้นําเกิดเนี่ยก็ตีเหตุนําเกิดแล้ใช่ไหมแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยอาหารก็สัตายะด้วยพระธรรมที่เรียนมาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนึกออกหมดเลย นึกออกหมดเลยเนี่ยนะแต่ละลิกได้หมดเลยพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังในความเป็นประหูสุดก็ระเลิกได้หมดพันเขาก็บรรลุได้เร็วพลันเนี่ยนะบรลุได้เร็วพลันทีนี้บางพวกนี้ถึงไม่ได้บรรลุล่ะไม่ได้บรรลุก็มีเทว์มีเช่นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเวลาพระองค์ขึ้นไปแสดงธรรมเช่นแสดงอภิธรรมปิดอกใช่ไหมใครบรรลุมากที่สุดทเทวดาโมมนุษย์จริงๆแล้วบรรุไม่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นน่ยนะ โมมนุษย์ที่บรรลุเนี่ยไม่ถึงพระองค์แสดงธรรมาจักครั้งเดียวโด้วยซ้ำไปหมมนุษย์เนี่ยแต่จริงๆแล้วโมเทวดาทั้งหลายเนี่ยบรรลุมากถามว่าทำไมโมมนุษย์จึงไม่ค่อยบรรลุมากคือผู้มีบุญจริงๆเขาไม่เสี่ยงมาเกิดมนุษย์อายุร้อยปีหรอกเขาเขาไม่เสี่ยงง่ายๆหรอกถึงดูเหมือนจะ ก, กําไรดีนะแต่ว่ามันมันเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันสูงเขาจะไม่ลงมาง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งพรหมหลายท่านเนี่ยไม่อยากลงมาแลนะ้วติดสาวพรหมนี้ไม่ได้อยากลงมาอะไร แต่เนื่องจากว่ามีพระอรหันต์รับรองว่าจะดูแลความประพฤติตัวเองให้ทั้งหมดเนี่ยนะมีการตกลงคุยกันแล้วเนี่ยนะพระโมคคิิบุตรติสสะเนี่ยที่เป็นประธานสังขยาณาครั้งที่สามเนี่ยหมายความว่าได้รับการวางแผนกันไว้เป็นอย่างดีแล้วจึงลงมาว่าคือโมคคิิบุตรติสสะคนเนี้เป็นผู้ที่สามารถยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาได้แล้วพระอรหันต์เนี่ยไปกันเยอะไปร่าราธนาท่าน เส็จแล้วก็ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของพระอรหันต์ทั้งหลายขอให้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เถอะคือถ้ามาจากพรหมโลกเนี่ยนะหรือมาจากเทวดาเนี่ยพอมามารับสังคมสิ่งเริ่ดล้อมแบบมนุษย์มันจะเริ่มคิดแบบมนุษย์ละมันส่องเศษอุปนิสยัยพวกใหม่ๆนี้ใช่ไหมส่องเศษอุปทิสัยอาหาร ก, การกินการเป็นอยู่ก็ไม่ได้มีโอกาสกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นพระอระรหันต์สองรูปเนี่ยรูปแรกทําหน้าที่ไปสงเคราะห์ไปให้เด็กคนนี้ได้เห็นบ่อยๆ ไปปลูกศรัทธากับพ่อแม่เอาไว้จนโยมให้ลูกบวชพบวอบวชเสน็จเอคนนั้นรับผิดชอบต่อสอนอัน น, นพอสอนเสร็จก็ส่งไปเรียนต่ออีกเนต้องมีการส่งอันนท่านนี้ถ้าผู้มีบุญจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะมีการดูแลอย่างตลอดสายแต่ถ้าผู้ไม่มีบุญจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเรียกว่าถ้าเลือกได้เขาก็ไม่ค่อยลบไม่ค่อยลงมาเพราะอย่างสมมติเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ามันลงไปที่ไห น, ง น, นลงไปอยู่ณที่ไหนก็เหมือนกับว่าอา น, น, นคุณเนี่ย ลงไปเกิดเมืองพาราณสีซะจะได้สงเคราะห์หมูสัตว์ให้เรียนธรรมะอย่างเงมคิดหนักเหมือนกันนะถ้าเป็นเรานะถ้าอนามาเนี่ยคิดหนักเลยนะโอ้โหสมมุททัตจุติปั๊บพาราณสีเลยดิ่งมาเมืองพาราณสีเลยสมมติปฏิสนธินะคิดหนักมากๆเลยว่าจะมาหรือไม่สังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้ววิชาธรรมะเป็นวิชาอะไรล่ะซึ่งหมูสัตว์ถามว่ามีเจริญมีอัธยาศัยมีความฝักใฝ่ทางนี้ไหมก็ไม่มากสักเท่าไหร่เมื่อไม่มากอย่างนี้เนี่ย แล้วเราต้องมาเผยแพร่ในเหตุการณ์บ้านเมืองลักษณะนี้เนี่ยนะในสมัยที่วัตถุกรรมมันเฟื่องฟูเต็มที่อย่างนี้เนี่ยมันจะลําบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ของไง่ายไฟที่นี่เนี่ยติดเร็วดับเร็วไม่ต้องห่วงแล้วนุ่นมาละมาเลยเขาปั่นไม่ทราบมาแล้ะเพราะว่ามันผู้ที่เกิดมาในยุคหลังๆนั้นในยุคนี้ถ้าศึกษาธรรมะแล้วมีความเข้าใจผิดพลาดตาจากพระไตรปิฎกเนี่ยขอมามีความเข้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรถ้าถ้าหาว่าศึกษาแล้วเข้าใจผิดเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจถูกเข้าใจตามหมดเลยเนี่ยจะแปลกใจมากว่าคนนี้น่าจะมีอะไรพิเศษอยู่ทําไมเขาจึงเขาจึงเข้าใจได้โดยที่ไม่คลาดเคลื่อนเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระสูตรบางสูตรเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยเชื่อมโยงตั้งไม่รู้กี่คมภีเพราะอย่างการศึกษาในยุคนี้เราไม่ได้มีคนรู้จริงแนะนําเนี่ยนคือคือเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะประเภทแยกอะไหลไปแล้ว ในยุคนี้นียเป็นธรรมะประเภทแยกอะไรแล้วคือแยกชิ้นส่วนไปตามที่ต่างๆท่นคนก็ถือเอาไปปฏิบัติคนละชิน้นคนละชิน้นลักษคล้ายๆกับที่เรียกว่าตาบอดคลำช้างก็ถือกันไปคนละอย่างคนละอย่างเมื่อถือกันไปคนละอย่างคนละอย่างแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ก็มีการปฏิบัติหรือเรียนแผนที่เนี่ยขีดแผนที่อยู่เส้นเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ทางเบี่ยงเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินทางผิดหรือเดินทางถูก หรืบางทีก็พยายามปฏิเสธเป็นอื่นเป็นต้นอันจึงไม่ง่ายนะธรรมจักรนั้นเป็นพระธรรมที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยยกย่องมากตั้งวันวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรเป็นอาสาละหบูชาเนี่ยนะยกย่องเชิดชูมากธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแล้วเป็นพระสูตรสูตรแรกแต่ทําไมใครคิดสกคนว่าจะเอาธรรมจักรเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหมเราก็เชื่อด้วยนะว่าเขาบารรลุกัน แล้วทําไมไม่เอาอนัตตลักษณะสูตรเอาอธิตะปริยัยิสูตรซึ่งเป็นสูตรเด่นๆดั ง, ดงๆสูตรใหญ่ที่เรียกว่าพอจบปับ๊บบรรลุเป็นพันเลยนะทําทไมน้อยคนนักจึงไม่เอาสูตรเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติไม่เอามาเจริญเป็นจริง เ, เป็นจังเลยะนะไปเที่ยวหาสูตรอะไรที่มันฟังแล้วตัวเองก็ฟังก็ไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันเช่งถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเึ่งถ้าหากว่าเราถือเอาข้อปฏิบัติเนี่ยผมมาอยากให้แนะนําถ้าเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเอาธรรมจักเนี่ยเป็นหลัก นะหรือเอาอะไรเอาอาธิตปริยยสูตรเอาอาาานัตตลักษณะสูตรเนี่ยเป็นหลักในการปฏิบัติถือว่าเพียงพอจริงๆที่จะทำให้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะโครงสร้างที่เหลือเพียงแต่พยัญชนะวิจิตขึ้นเท่านั้นเองอย่างบทสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะที่จะได้กล่าวในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเข้าใจอริยสัจพอสมควรนะนะไม่มีคาไหนพ้อนอริยสัจเลยเพียงแต่ใช้โวหารที่ แ ป, แปลกวิจิตพิสดารออกไปเท่านั้นเองเป็นความวิจิตความอลังการแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือคล้ายๆพาราแบบบ้านเรานะพาราบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่หุย่ยปั๊ไม่รู้กี่ประเภทเนี่ยนะก็จริงๆก็เนื้อหาเบื้องลึกก็คือพาราเหมือนกันเถอะฉันได้ท่าธรรมที่พระองค์ตรัสก็ลักษณะนั้นก็แสดงเฉพาะอริยสัจนั่นเองมันถ้าเราถือเอาอริยสัจเป็นหลักแล้วก็มีการเรียนอภินญ ย, ยนิเทศประกอบบ้างเนี่ยนะ แต่เชื่อก็จริงนะถ้าไม่ได้เรียนอภินสุตปฏิสัมพิธามานะก็ไม่รู้จะเอาธรรมจักมาปฏิบัติยังไงเหมือนกันนะถ้าถ้าไม่เรียนอภินยยนิเทศมาแต่ในขณะเดียวกันถึงเรียนอภินยายนิเทศกับปฏิสัมพิธาถ้าไม่เป็นพหูสูตรรู้ที่อื่นๆกว้างๆเนี่ยมันจะสงสัยว่าไอ้ใช่หรือเปล่าที่ฉันนําอยู่เนี่ยมันมั น, ม, นมันสอบครองไหมมันก็สงสัยแล้วก็เริ่มเกิดการบาดระแวงเป็นต้นเพอบาดระแวงเข้าก็มีผู้เสนอทางทางเลือกให้ก็ แล้วก็บางบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเขาอะไรเขาเก่งมากนะที่จะกล้าปฏิเสธคำสอนนะซึ่งหนะ้าปีติกับคุณการตาด้วยที่ตั้งความปรารถนาอย่างดีหาอยู่จริงอยู่ตรงน้นแสดงว่านั่งอยู่นี่ไปเลยมองเลยนะเลน่าดูเลยกว่าจะหาเจอไม่เขาสินแปดมาเนี้ไม่เนี่ยนั่งอยู่นี่เลยของมาดูล่างไปหน่อยไม่ได้ดูบนข้าเนี่ยไปมองดูดาวมากเขาว่าพระองค์ตำหนิให้ดูดิน สรุปว่าผู้ที่ในยุ่อย่างยุกล่าวว่าผู้ที่กล่าวปฏิเสธคําสอนเนี่ยเราะมายังแปลกใจว่าโอ้ใจเขาทาด้วยอะไรเนาเนี่ยนะถ้ากล่าวปฏิเสธในแต่ละบทหรือแต่ละสูตรก็ตามเนี่ยนะทำไมเขาจึงกล้าเขาเข า, เขามีอะไรเป็นเครื่องภาษาธรรมะเ้าเรียกว่าเอาอะไรเป็นความเชื่อมั่นตัวเองจึงยอมจึงกล้าจึงกล้าปฏิเสธพระธรรมเหล่านั้นมันเป็นความบ้าบินชัดๆไย ที่เรียกว่าบินจนถึงขนาดว่าจะเอาโหชนเสาเล่นอ่ะบางอันเนี่ยมันมันมากไปเนี่ย น, นะผูดให้กล้าปฏิเสธพระธรรมคําคสอนก็เหมือนกันสวากขาโตพระคาวาตาทำหมอกพระธรรมพระผู้มีพระภาคปรับไว้ดีแล้วไม่มีผิดแม้แต่ปลายเข็มบางอันเนี่ยแม้แต่ปลายขนสายเนี่ยไม่มีผิดเพราะอะไรเพระาะธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะช่วยให้หมู่สัตว์พ้นทุก ม, มีสูตรไหนมั่งที่ปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ไม่ได้ ลองหาดูเถอะที่ปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าขณะปฏิบัติอาจจะทุกข์ขาปฏิปทาบ้างสําหรับคนที่ที่อกุศลกลุ่มรุมเนี่ยนะบาปกลุ่มรุมมากๆเวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นทุกข์ขาปฏิปทาเนี่ยพอมีอยู่บ้างแต่ถ้าอปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแต่สุขขาปฏิปทาโดยส่วนเดียวเนี่ยนะพันธุ์ที่สําคัญก็คือทํายังไงที่เราจะได้แค่ว่าคิดตามใส่ใจตาม อย่างการแนะนําพระธรรมที่วิจิตพิสดารแนะนําพระธรรมให้ยากก็ยากเนี่ยผู้สัจนยากไปหมดเลยก็ยากแต่ว่าพระธรรม ท, ที่ที่เรียกว่าพอเอามานุษย์ตามได้ทันทีเลยเนี่ยคืออริยสัจอย่างเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเออเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติเป็นเรื่องธรรมดาเลยใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายแล้วอริยสัจทุก อ, อ เกิดแก่เจ็ตายนี่เป็นทุกอารยสัตว์เป็นธรรมที่ควรทําปริญญาใช่ไหมบอกใช่คุณคิดไหมคนที่มาค้างโรงแรมเนี่ยเป็นผู้ที่นอนรอความแก่ความเจ็บและความตายถามว่าเราคิดอย่างนี้เป็นปกติไหมรู้แต่ไม่ได้เจริญไม่ไดเอามาทําปริญญาจริงๆแม้กระทั่งอย่างที่ว่าเราเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเรารู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายแต่คําว่าเกิดแก่เจ็บตายเราเอามาใส่กับทุกคนไหมไม่ใส่ใจโดยเป็นปีรูปสาต่รูปไป บ้างใส่ใจโดยอาปิยรูปอาสาตารูปบ้างใส่ใจอยู่ปิยรูปสาตรูปคือคืออะไรใส่ใจในความน่าปรารถนาหน้าพอใจบ้างใส่ใจในความน่ารังเกียจหน้าชิงชังบ้างนะเป็นคิดว่าเป็นปฏิฆาณิมิตบ้างเป็นสุภาพานิมิตบ้างแต่กลับไม่ยอมพิจารณาตามความเป็นจริงอาแดงเคยเห็นในสังเกตคนไข้โอ้เนี่ยนะ เนี่ยความแก่ความป่วยความตายเหล่าเนี่มาผลมาจากความเกิดเนี่ยเพราะเกิดมาจึงต้องแก่เพราะแก่เนี่มันก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายตายแล้วก็เวียนกลับมาเกิดอีกเกิดมาเพื่อจะแก่แก่แล้วป่วยแล้วก็ตายก็เวียนอยู่อย่างเนี้ยคนไข้ทุกคนที่มาเนี่ยเออมันเป็นกติกามันเป็นธรรมดาจริงๆเลยเรียกว่าเป็นปกติของทุกข์กระสับจริงๆอันเนี้ยคือคือทุกข์กระสับซึ่งเป็นธรรมที่ต้องเอามาใส่ใจบ่อยๆบ่อยๆ ถ้าเกิดแก่จะตายนี่ได้ยินมานานนี่ยังบอกโุ้ยได้ยินมาเนียนนานเต็มทีแต่ทําไมไม่เอามาเจริญถ้าใครเจริญสิ่งนี้นะถ้าคิดตามนี้มากมากจริงๆเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดด้วยเอาเลยถ้าเจริญอย่างนี้จริงๆนะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดด้วยต่อเรียกว่าคือถ้ากล้าใส่ใจกล้าคิดนะทุกคนเนี่ยเดินไปหาความแก่และความตายใส่ใจแบบนี้ถึงทําปริญญาระดับสูงไม่ได้มากก็ช่างเถอะ ถีอได ว, ว่าวิจัยจงละเอียดละออไม่ได้มากแต่ถ้าหมั่นใส่ใจแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยโมสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไห่ไปสู่ความตายถึงจะใส่คำว่าสัตว์ก็ไม่น่าผิดพลาดด้วยซ้ำไปเพราะพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมะเป็นปุคลาที่ฐานก็มีไม่ใช่น้อยใส่ใจว่าเนี่ยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความตายเป็นที่สุดรอบสัพเทสตามรันติจามริงสุจามริสเรเนี่ยนะว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วย นะสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยแม้เราก็จะต้องตายเช่นนี้คือการใส่ใจแบบนี้เนี่ยถึงว่าสัตว์ตายจริงๆถึงใส่ใจแบบนี้นะถ้าคิดตามแนวครรําสอนซึ่งมีความรู้เรื่องกรรมอยู่บ้างที่จะหันไปเป็นมิจฉาทิฐิก็น้อยมากเนีนะเปอร์เซ็น์ที่จะเป็นมิจฉาทิฐิก็น้อยมากเพราะมิจฉาทิฐิทั้งหลายโดยหลักการนะจะไม่มีการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดจาก วัตตะในนั้นะคือคือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนั้นการใส่ใจในอริยสัจการเอาอริยสัจมาเพ่งมาคิดซึ่งปกติวันหนึ่งเนี่ยเราคิดถึงคนเยอะไหมเยอะทำไมเราไม่คิดว่านั่ น, น, นคือทุกขาริยสัจ เขาเป็นสิ่งวัตถุที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานึกถึงพ่อเขบอกออว่าวัตถุที่มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานึกถึงเพื่อนก็วัตถุที่มีความแก่ตายเป็นธรรมดานึกถึงพี่นึกถึงน้องนึกถึงใครนึกถึงขาา้าทาสกรรมกรเพื่อนฝูงญาติบริวารด้านอยู่ใกล้บ้านไกลก็ตามเขาเหล่านั้นคือวัตถุที่มีความแก่ความตายเป็นธรรมดาอันนี้คือควรควรใส่ใจควรเจริญ ถ้าเราไม่ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ที่ไหลไปสู่ความแก่และความตายเป็นธรรมดาจิตของเราจะเข้าไปคาดหวังในอารมณ์นั้นใช่ไหมเข้าไปคาดหวังนะปกติมูสัตว์นี่มันพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้พร่องเป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งปัญหาถ้าเราไม่ใส่ใจยอย่างนี้นะมันหิวมันหิวจริงๆริงนี่มันไปคาดหวังอะไรกับอารมณ์นั้นมากนะ คือถ้าเราไม่ใส่ใจอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงตามสภาวะในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยนะเราก็จะเข้าไปคาดหวังกับอารมณ์ถ้าเข้าไปคาดหวังอ่ะนะที่ใดมีหวังที่นั่นก็มีทุกทุกอย่างไงก็คือทุกเพราะหวังขัอย่างน้อยนะโลภะเนี่ยโสมนัสก็จริงแต่เครียดใครที่ปล่อยให้โลภะเกิดบ่อยๆเกิดทั้งวันนะถึงจะโลของโลภะตลอดแต่ก็เครียด<น>ไม่ไม่ได้ผาสุกอะไรเพราะราคานี่เป็นของร้อน ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร้อนจริงๆนะใครที่ก้มรวมราคะก้มรวมเนี่ยไม่ได้เย็นอะไรเลยแนะนะไม่ไม่เย็นเลยความเร่าร้อนเนี่ยร้อนจริงๆดังคนที่คาดหวังในทุกขสัตว์เนี่ยจึงเป็นคนที่เร่าร้อนมากไม่ยอมพิจรารณาทุกขสัตว์ตามที่ตามที่เป็นจริงคําว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วใครมีอานาจห้ามเกิดห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายได้บ้างใครอาถามว่าใครมีอํานาจ ท, ทำสัตว์ที่เกิดมาแล้วอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตาย มีใครมีอำนาจจริงไหมแล้วไอ้ความเกิดเนี่ยมันเป็นตัวรองรับซึ่งทุกข์แต่เชื่อไหมเราทั้งหลายเพลิดเพลินในวัตถุที่มีความเกิดเนี่ยนะเช่นะชนึกถึงเพื่อนเราก็นึกแล้วก็สบายใจนะเส้นสบายใจแบบฉันราคาแบบนิดหน่ยนะเรื่อหน้าราคาเป็นต้นเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่ทําปริญญาบัพเนี่ยไม่ได้ใส่ใจว่าเขาคือวัตถุที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเราอะไรเกิดขึ้นความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความหวังก็เกิดขึ้น ถ้ายิ่งคิดถึงบ่อยๆก็หวังบ่อยๆใช่ไหมเมื่อหวังบ่อยๆเข้าอะไรก็ตามมาก็ความเพลิดเพลินก็ตามมาซึ่งเราก็รู้ได้ว่านั่นคือเกิดแก่เจ็บตายแต่เราก็ยังเข้าไปคาดหวังแม้แต่ความตายเรา ย, ยังไม่ค่อยกล้าคิดใส่ใจกับผู้ที่เรารักเลยนะเช่นลูกหลานเป็นต้นนะเราแทบไม่คิดนะว่าเขาจะแก่จะตายเนี่ยนะนี่อนะไรไม่ไม่น้อยนักที่จะกล้าคิดจริงๆไหยไม่ไม่มีไม่กี่คนที่กล้าคิดตาเพ็ญศรีคิดบ่อยไหม คิดว่าลูกกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอ่าลูกเราเนี่ยเป็นคนที่เดินไปหาความแก่ความตายนะ mm hmm. เขาเนี่ยเดินไปหาความแก่ความตายนะ mm hmm. คุณไปทูลนี่ก็อาจจะคิดนะเขาบอกลูกเขาว่ายังไงนะลูกของใครก็ของใครนะเขาบอกงั้นก็จะแม่นะของมาใช้คําไม่พร่ํหน่อยนะ ส, สับคุณไพทูลก็บอกตัวใครตัวมันนะลูก ถ้าขอมาก็ใช้แบบของใครก็ของใครกันนะ mm. ถ้าเขาถวดกับมันนี่เขาคำรับบางคํานี่เขาบางแห่งเขาถือมากกวนะ่านั้นก็เป็นของใครของใครจริงๆเลยนะของใครก็ของใครจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจอย่างนั้นเราไปคาดหวังของมาบางเรื่องนะมสังเกตจากตัวเราเองเนี่ยเราไปคาดหวังกับอะไรนะไม่เสียใจไม่มีเลยแล้วเราเป็นคนอะไรนะเกิดมามันโธมนัดมาซะส่วนใหญ่เป็นคนที่ถ้าถ้าอยู่นิ่งๆเไหม ไม่คิดธรรมะเนี่ยเอาละโทรมนัทเกิดนะทีนี้โทรมนัทถามว่ามันโทรมนัทแบบอะไรแบบคนป่วยนะมันมันจะว่าไปโกรธใครมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันเหมือนคนป่วยแบบมันอะไรนะมันมันเหมือนกับเราป่วยทางความคิดอีกแล้วป่วยแล้วมันจะต้องเอาธรรมะมาคิดเยอะๆถ้าถ้าคิดเยอะๆแล้วมันจะหายป่วยมันหายป่วยทางความคิดแต่ถ้าเราป่วยไม่ได้เอาป่วยอยีกแล้อย่างไงใส่แสดงว่าอดีตนี้ทำมากุศลแบบอะไรนะโทรมนัทเวทนานําหน้าหรือเป็นบริวารเนี่ยนะก็เลยเป็นปัจจัยให้โทรมนัทบ่อย เป็นคนที่เรีว่าไม่ค่อยมีอัศสสาธาเท่าไหร่คือคือถ้าเห็นอัศสสาธาปั๊บก็ดูแล้วเดี๋ยวเดือดร้อนตามมาจนได้ในสิ่งนั้นนั้นจึงไม่ค่อยไ ม, ไม่รู้สึกว่าอัศสสาธาสักเท่าไหรไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นมีอะไรจะต้องแบบอะไรไหมอู้อาวอ์อยู่นั่นแหละไม่ค่อยมีนะถ้าตอนเกี่ยวข้องก็ยังมีความรู้สึกเอออาวอ์วอนหน่อยแต่ถ้าจากแล้วเลยไม่แทบไม่ได้นึกอะไรเลยนะก็ก็เป็นอย่างนั้นมานานละเป็นตั้งแต่เด็กแต่น้อยด้วยซ้ำไปขอมาจึงไม่ติดบ้านเลย บ้านเกิดจริงๆเนี่เนี่ยตั้งแต่โตแคร่ลงมาปั๊เนี่ยพอรู้ภาษาหน่อยเนี่ยแทบไม่ติดบ้านเลยนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้แต่ดโดยมารวมๆเนี่ไม่ค่อยอยากนอนบ้านแม้แต่บ้านยังไม่นึกถึงเลยเนี่ยไม่ค่อยนึกไปแลกก็แล้วกันไปตามเรื่องตามราวของเราไปเนี่ยปีหนึ่งกลับไปครั้งหนึ่งก็โอ้ดีใจแล้วทราได้กลับปีหนึ่งนะบางทีไม่อยากกลับด้วยซ้ําไปที่กลับเนี่เพราะมันได้เหตุอันสมควรจําเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องกลับแต่ว่าแทศแต่ถามมันนึกถึงอะไรไม่รู้จะนึกทําอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ท่านจึง การตรึกธรรมะเนี่ยจึงช่วยรักษาใจของเราเนี่ยเยอะจึงเห็นคุณอันนี้ขึ้นหลักการที่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนมันแก้ปัญหาทางความคิดให้เราจริงๆไม่ได้เตอนเราก็มาลองมาคิดตามอริยสัจดูโดยเฉพาะธรรมจักเนี่ยที่ฝึกตรึกธรรมะแรกๆเลยเนี่ยอาศัยธรรมจักเป็นหลักอย่างแรมเริ่มมาคิดเอ๊สมมติถ้าคิดถึงคุณใบทุนคิดยังไงเป็นการมัสุขาริการนุโยกคิดยังไงเป็น อัตตะกิร่มัทานุโยคคิดยังไงเป็นมัชชีมาปฏิปทาไอ้ตรงนี้ที่เราทั้งหลายควรฝึกไหมอ่านะฝึกให้ได้ว่าถ้าแยกในสองส่วนนี้ไม่ได้ถ้าแยกสองส่วนเหล่านี้ไม่ได้ถามว่าเราจะเดือดร้อนอีกแค่ไหนใช่ไหมนึกถึงใครเราแยกปฏิปทาสามนี้ไม่ออกน่าเสียดายขนาดไหนเสียหายจริงๆริงไหมแยกว่าเออเนี่ยเช่นคิดถึงอะไรก็ช่างเถอะแยกให้เป็นเนี่ยสามอย่างนี้ให้ได้คิดยังไงเต็น อัตตกิลามาาัาธนโยคิดยังไงเป็นการมัสุขาริการนโยคิดยังไงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในทุกอารมณ์เนี่ยนะที่จริงตัวคิดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรมรตแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาคิดให้เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเอง เ, ออเรียนถามอาจารย์นะครับการตรึกธรรมะแต่ละหมวดแต่ละข้อแต่ละอย่างนยครับเมื่อตรึกไปแล้วเนี่ย จะมีอุปายยังไงที่จะทําให้มีฉันทะในการที่ตรึกหัวข้อธรรมะนั้นๆต่อไปเพราะว่าดูเหมือนว่าพอตรึกหัวข้อนั้นไปแล้วเนี่ยมันไม่อยากตรึกหัวข้อนั้นนหะมันอยากจะไปตรึกธรรมะหัวข้อใหม่ก็คือมันเหมือนอย่างว่าผู้ที่หลายๆเรื่องที่ตรึกมาไม่บริบูรณ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นคือคือความสามารถเราเจาะลึกไม่ได้เมื่อความสามารถเจาะลึกไม่ได้มันก็จะเที่ยวไปเรื่อย ท่านเราจึงขอมาอยากจะแนะนำํำมาขอให้เป็นไปกับคําสอนเอาไว้ก่อนมีอยู่สูตรหนึ่งที่ชอบใจมากพระองค์ตรัสว่าสัมมาทิฏฐิที่พระองค์สอนเนี่ยนะอย่างลงสู่อมตะนิพพานถ้าหากว่าสิ่งที่เราตรึกเนี่ยนะเป็นไปกับสัมมาทิฏฐิเข้ามาเชื่อเลยว่าถึงตรึกเยอะเรื่องหลายๆเรื่องก็จริงอยู่แต่ก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานแต่มีข้อเสียว่าตรึกหลายๆเรื่องเนี่ย ถ้าข้อมูลไม่พอมันก็สเปสะตะเหมือนกันหรือคือระยะยาวนึ้นก็เอาแพชชนแกะเนี่ยนะชนกันไปชนกันไหมทําไมมันไม่ชนะสักทีอย่างเงี้ยหรือมันไม่ค่อยเข้ากันบางทีถ้าถ้าถ้าเราเยกปลุ่มธรรมะไม่ค่อยดีเพราะในในตอนสุตะนี่จึงต้องทําความเข้าใจให้แน่นของแต่ละเรื่องทําความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละเรื่องให้ให้เพียงพออย่างการเอ่อตอนการฟังตอนการเรียนเนี่ยเราก็ต้องจับอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก่อนว่า พระธรรมเรื่องนี้พระองค์ประสงค์ให้เรารู้อะไรในแต่ละสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะตอนตอนระหว่างสูตรตัทพนีพอในตอนตรึกเี่ยเราจึงจึงค่อยๆนึกถึงว่าเราตรึกหลายสูตรแต่ก็รู้ว่าสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงสูตรนั้นมีวัตถุประสงค์ยังไงจับวัตถุประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มามาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราตรึกเนี่ยยังเป็นไปตามคําสอนอยู่หรือหรือยังขัดแย้งกันทีนี้การตรึกเนี่ยจากตรึกหลายๆเรื่องมันก็ประกาศถึงว่า หลายๆเรื่องเรายังลึกไม่ได้เมื่อยังลึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแตนะ่ให้เป็นไปกว้างๆ ก, ก, ก่อนก็ไม่เป็นไรถ้ากว้างไประดับหนึ่งไมที่สุดมันก็ต้องลึกเองขอให้ยังเป็นไปกับคําสอนอยู่เป็นใช้ได้อย่างการพิจารณาอาการ42เนี่ยนะครับพิจารณารูปโดยแยกกระลาบอะไรต่างๆเนี่ยเอก็มีบางคนก็ถามว่า ก็อย่างเช่นผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็สี่สิบสี่รูปเหมือนกันน่ะเการู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งตรึกก็เหมือนกับเหมาเหมารวมรวมไปอย่างนั้นน่ะก็คําพูดนี้นะนะถ้าเราฟังแล้วเราเขาเข้าใจเลยว่าเขาฟุ้งซ่านเกินไปที่จะมานั่งนเรื่องนี้พูดภาษาไทยไทยเลยนะเขาฟุ้งซ่านเกินไปที่จะพิจารณาอะไรละเอียดละเอียดเป็นเป็นความที่ตรงๆโดยสภาวะเนี่ยอันนี้ขอมาสังเกตจับตัวเองเลยนะ คือเราฟุ้งซ่านเกินไปที่จะละเอียดถึงนั้นหรือพูดแบบหนึ่งนะเราดูของละเอียดละเอียดเนาะก็เอ้ยเนี่ยลายพวกนี้มันก็เหมือนๆกันหมดอะทศแสดงว่าตาเราไม่ค่อยดีนี่นะพอที่จะเพ่งเรื่องละเอียดละเอียดคือในผมขนเล็บเนี่ยที่เขาพิจารณาถึงรูปสี่สิบสี่รูปเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่งไปเรื่องอื่นอีกเยอะเนี่ยนะมันเพราะว่าไ อ, ไอ้ผมขนเล็บฟันหนงังแต่และอย่างมันเป็นชุมทางอะนะมันเป็นชุมทางที่จะให้พิจารณาเรื่องอื่นอีกตั้งมาก มันไม่ใช่ว่าแค่ให้ไปรู้แค่นั้นเช่นเมื่อวิเคราะห์ว่าผมขนเล็บฟันหนังมี44รูปหรือว่าเอาหนังอะแล้ว44รูปอย่างเงี้ยหนัง44รูปก็แบ่งเป็นกรร ม, มส ม, มุทฐานจิตส ม, มุทฐานอุตูส ม, มุทฐานและอาหารส ม, มุทฐานนีืในในใน44รูปเนี่ยก็มาแบ่งว่ามีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันห้ากลุ่มกลุ่มกรรมจิตอุตูและอาหารกรรมมีสองกลุ่ ม, ม, มคือกายกับภาวะเนี่ยนะกายกับภาวะ แล้วก็จิตอุตุอาหารอย่างละแปดก็เป็นสี่สิบี่เนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่ฟุ้งเกินไปเนี่ยก็จะบอกแล้วกรรมมสมุตฐานกรรมไหนเป็นที่จะทำเนี่ยนะกรรมไหนเป็นอุปชาวเวทนยกรรมอะไรเป็นอัตราพรเวทนยกรรมอันนี้นี่มองในแง่กรรมก่อนทีนี้ถ้ามองในแง่ทวาร ล, ล่ะเพราะกายวิญญาณในตัวกายทัศกะตัวนั้นเนี่ยมีเป็นอะไรเป็นวัตถุ แล้วไอ้รูปที่เหลือเนี่ยนะที่ปฐวีธาตุที่เกิดร่วมกับห้ากลุ่มห้ากราบนั้นอะเตโชธาตุในห้ากราบวายโยธาตุในห้ากราบในฐานะเป็นโพธิภารม